อากาศร้อนอารมก็ร้ายไหม้อนร้อนห ง, งุดหงิดเราภาวนานะเราจะได้ร่มเย็นโลกข้างนอกมันก็ร้อนร้อนมากขึ้นมากขึ้นสังคมก็รุนแรงาศาสนาก็มีปัญหาเยอะนะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า พระพุทธาศาสนาจะอยู่นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ศัทธธรรมปฏิรูปนันเยอะแยะไปหมดธรรมะวินยัยอะไรถูกบิดเบือนไปเยอะแยะถ้าเรามีชีวิตยอยู่แต่ว่าไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เท่านั้นเองนั่นเราไม่รู้ว่าศาสนาจะอยู่ได้นานแค่ไหน การเบียดเบียนมีมากนี่ถ้าศาสนาอยู่ได้ตัวเราเองจะอยู่ได้ดานแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันหลายคนที่มาเรียนอยู่หลวงพ่อแล้วก็ตายไปแล้วยังหนุ่มยังสาวแข็งแรงอยู่ๆเป็นมะเร็งปุบปั บ, ปบเดินเดียวตายไปแล้วก็มีหลายคนชีวิตเราเองก็ไม่ได้นอนนั่นเราต้องช่วยโอกาส ที่เรายังมีความสามารถที่จะพัฒนาใจของเราต้องรีบพัฒนาจิตใจของเราให้ได้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีความแข็งแรงอยู่ในช่วงที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยู่รอวันที่ศาสนาหายไปแล้วนันก็ไม่รู้จะไปภาวนายัางไงหรือเราอยู่ไม่ได้แล้วเราแก่ชรามากขั้นเฟือนไปสติปัญญาลบเลือนไป ไม่แข็งแรงพอเลยพอน่ายากการปฏิบัติธรรมเราต้องใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราช่วงวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยเจริญเติบโตวังอกงามอาศัยวัยนี้แหละเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตพอแก่เท่าลงเป็นวัยเสื่อมอย่างคนแต่ก่อนเวลาเขาจะทําบุญเขาจะเลือกเอาของที่ดี ไปทําบุญเราก็เอาของดีๆหน่อยคือชีวิตช่วงที่ดีๆของเรานี่แหละมาปฏิบัติทําให้ได้ให้เราแก่เท่าแล้วก็พอนายากนะใจมันจะพานาลําบากสติมันเกิดยากยกเว้นแต่ว่าฝึกเอาไว้ดีแล้วถ้าอย่างนั้นยิ่งแก่ยิ่งเก่งแต่ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็ยิ่งแก่ยิ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นฟุ้งสั้นรับอะไรใหม่ๆไม่ค่อยได้เลยนี่เป็นธรรมชาตินะ งา้นใส่ช่วงเวลาที่พวกเรายังแข็งแรงอยู่ใส่เวลาที่พระศาสนายัางดำรงอยู่รีบมาปฏิบัติก่อนปฏิบัติเท่าเรียนให้รู้เรื่องรู้วิธีทุกวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยห่วงพวกเราเท่าไหร่ละพวกเราได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อสอนมาหลายปีแล้วจากคนซึ่งไม่รู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวเป็นขึ้นมา จากคนไม่มีศีลพวกเราก็มีศีลขึ้นมาไม่มีใครบังคับให้เราถือศีลเราเกิดศีลขึ้นมาด้วยความสมัครใจของเราเองจากคนที่จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวฟุ้สร้างตลอดเวลาะจิตใจเขากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้มีสมาธิขึ้นมาจากคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นไม่เคยคิดเลยว่าธาตุขันธ์มันแยกได้พวกเราก็แยกได้ เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูเห็นกุศลอะกุศลเกิดขึ้นมาในจิตใจเรานะเกิดแล้วก็ดับไปเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูอยู่แต่ทั่งตัวจิตตัวใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดนะูก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยแต่เดิมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นไปได้ในการที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เราก็ภาวนามไม่เป็นเจริญปัญญาไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ฝึกกรรมฐานกันนะมันจะเป็นสมถะไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้มุ่งมาที่การฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็แยกขันต์ต่อไปแล้วดูขันต์ทำงานกรรมฐานกรรมฐานทั้งหลายที่ฝึกฝึกกันส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นสมถะั้ทั้ ท, ที่บอกว่าเป็นวิปัสสนาอย่างบางคนก็ พุโทโธพุโทโธไปให้จิตสงบอย่างเดียวอ น, นี้ก็สมถะหายใจไปเรื่อยนะนั่งสมาธิหายใจจนกลายเป็นแสงสว่างนะแล้วก็อยู่กับแสงตามแสงไปเล่นนนเล่นนี่ได้ด้วยอ น, นี้ก็สมถะขยับมือทําจังหวะนะให้จิตจดจ่อยอยู่ที่มือจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตจ้องอยู่ที่มืออันนี้ก็สมถะดูท้องพองดูท้องยุบนะเขาบอกคำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเพราะอะไรในขณะนั้นเห็นท้อง ทองมันเป็นรูปธรรมนะมันไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์ยังก็ไม่ใช่วิปัสนางั้นเมื่อก่อนนะหลวงพ่อตะเวนไปภาวนาจากครูบาอาจารย์แล้วนะนจะตะเวนหลวงปู่ดุลรับรองแล้วว่าหลงพ่อภาวนาเป็นนะหลวงพ่อจะออกไปดูว่าเขาภาวนากันยังไงทั่วๆไปนะสำนักต่างๆเราเข้าไปดูเขาก็เห็นเลยแทบทั้งนั้นเลยคือทำสมถะแต่คิดว่าทำวิปัสนานะบางพวกก็ไปอีกแบบหนึงนะ่งเล ใช้การคิดพิจารณาไตรลักษ์อย่างคิดเรื่องร่างกายนี่เป็นไตรลักษ์นะบอก ug ว่าเป็นวิปัสนาอีกการคิดพิจารณาเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาคิดคือวิตกคําว่าวิปัสนาปัสนะไว้เห็นเราเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างวิเลยวิแปลว่าเห็นแจ้งจะเห็นแจ้งได้เห็นด้วยปัญญาคือเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษ์ถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษ์ไม่ใช่วิปนะัสนาเนื้อที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนมา สิกว่าปีนะตั้งแต่บวชมาความจริงสอนมาตั้งแต่เป็นโยมลูกศิษยสมัยที่เป็นโยมก็อยู่ส่วนหนึ่งมีไม่มากตอนเป็นโยมแล้วส่วนหนึ่งก็มาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเรียนกันตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยแต่เดิมหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังยากเลยเดี๋ยวนี้แค่รู้สึกตัวเนี่ยเรื่องธรรมดามากเลยไม่นับเป็นโหล้วนะนับเป็นกูลุษยังไม่ได้เลยกูรุษย์หนึ่งสิบ ส, บสองโหรนะือ เยอะว่านั้นเยอะจนไม่รู้จะนับยังไงคนที่รู้สึกตัวเป็นและคนที่แยกขันเป็นนี่เดี๋ยวนี้เยอะนะความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเรื่องการแยกขันนะในเวลาที่เราอยู่สบายๆจิตเราเป็นกุศลธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะขันมันแยกอยู่แล้วแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปรวบเข้ามาหรือเวลาที่เราเกิดกิเลสนะเราก็ไปรวบขันเข้ามาเป็นตัวเรานะยั้นถ้า กิเลสไม่เกิดไม่ได้จงใจจะปฏิบัติขันมันแยกอยู่แล้วละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าตัวนี้สําคัญหลวงพ่อก็แค่มาบอกท่านว่าฝึกแยกขั น, นคอยดูไปร่างกายกับใจมันคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเขาคนละอันกันก็นดูไปจิตแต่ละดวง้็คนละดวงกันจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็ดวงหนึ่งคนละอันกันหมดเลย เนี่ยหัดรู้หัดดูไปบ่อยๆนะพวกเราเดี๋ยวนี้ทําเป็นเยอะแล้วละ่ะเมื่อเราสามารถแยกขันได้เราสามารถเห็นขันแสดงใจลักษณ์ไดนะ้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีเลยถ้าแยกขันไม่เป็นดูรูปนามแสดงใจลักษณ์ไม่เป็นโอกาสจะได้มรรคผลเนี่ยไม่มนะียังไม่มีเลยงั้นถ้าหากพวกเราสามารถแยกขันได้นะเราก็ดูธาตุดูขันแล้วทํางานของเขาไป ดูให้มากพอรู้ให้ถูกรู้ให้ถูกก่อนนะดูให้เป็นมาดูเป็นแล้วดูให้บ่อยถ้าดูเป็นแล้วดูบ่อยก็ได้ผลจะได้มากได้ผลในชีวิตนี้แหละจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าใจของเรานี้แหละจะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้บวชไม่ได้แต่งเครื่องแบบแบบหลวงพ่อนะเป็นฆราวาสอย่างนี้แหละก็เป็นสาวกสังฆูได้ จำบทส่วนมนได้ไหมสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโครพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าปฏิบัติดีใช่ไหมสุปฏิปันโนท่านใช้คําว่าพระสงฆ์สาวกท่านไม่ได้พิกขุสังโคนะงั้นเราจะบวชหรือไม่บวชนี้เราก็สามารถเป็นสาวกสังโคได้งั้นถ้าเราภาวนาจนใจเราเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่ใจเราก็เป็นพระถใจเราก็าเป็นพระแล้วเราก็รู้เลยโอ้พระสงฆ์มีจริง นะไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วพระธรรมมีจริงๆแต่เดิมเราก็ชั่วร้ายสารพัดนะอาศัยได้ธรรมะลงมือปฏิบัติขัดเกลาตัวเองจิต ใ, ใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นมากขึ้นเมื่อพระธรรมมีจริงๆได้ผลจริงๆพระธรรมมาจากพูุทธเจ้าพูนะพุทธเจ้าก็มีจริงเป็นความกรุณานะเป็นความมีปัญญาเป็นความบริสุทธ พวกเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าส่วนปัญญากับกรุณาพวกเราไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าหรอกต่างกันมากระหว่างสาวกกับพระพุทธเจ้าแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยพวกเรามีโอกาสเท่ากับพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งเดียวที่พวกเรามีโอกาสแล้วท่านก็เปิดโอกาสโดยการบอกทางให้เราดังนั้นพวกเราขยันภาวนาทําให้ถูกถ้าทําผิดแล้วขยันนะยิ่งไปไกลดังนั้นต้องเรียนสก่อน อยู่ๆจะมานึกวิธีปฏิบัติเอาเองไม่ได้เพราะ ว, วิธีปฏิบัตินี้เป็นปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราคิดเอาเองไม่ได้ถ้าเราคิดเอาเองแล้วสาเร็จนะเราก็เป็นสมัมมาสัมพุท ธ, ธาอีกคนหนึงหรือเป็นปัจเจ ก, กพุท ธ, ธาขึ้นอีกคนนึงซึ่งในยุคนี้จะมีไม่ได้ในยุคที่คําสอนของพระสมรัมมาสัมพุท ธ, ธายังอยู่เนี่ยจะไม่มีพระปัจเจกเกิดขึ้นจะไม่มีสมัมมาสัมพุท ธ, ธาองค์ที่สองเกิดขึ้น ั้นใครจะมาอ้างตัวว่าเป็นพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อนะถ้าเชื่อก็ไม่ใช่ชาวพุทธแล้วล่ะถูกก็หลอกพวกเราหน้าตาก็ฉลาดนะคงไม่โดนลหลอกหรอกโง่เรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะอย่างโง่ในเรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าสอนและศึกษาซะให้ดไีได้ไม่โดนหลอกธรรมะทั้งหลายนะมันมีรากมีเงามาจากตัวโยนิโสมนัสิกานะฝ่ายดีเนี่ย เมื่อที่แยกไขในการสังเกตตัวเองเรารู้จักแยกไขในการสังเกตตัวเองเราไม่เคยมีสติทําไงจะมีสตินี่เป็นความแยกไขของเราเราไม่เคยมีศีลทําไงจะมีศีลไม่เคยมีสมาธิทําไงจะมีสมาธิไม่เคยมีปัญญาทําไงจะมีปัญญาส่วนวิมุตินั้นเป็นผลปล่อยได้เมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้ววิมุติเกิดขึ้นเองไม่มีใคร สั่จิตให้บรรลุมรรผลได้จิตบารลุเองเมื่อสักเดือนก่อนนะก็มีพระองค์หนึ่งอายุท่านก็เยอะแล้วล่ะแก่กว่าหลวงพ่ออีกท่านภาวนานดีมากเลยเข้มแข็งอยู่ทางอีสานตอนภาวนานี่ยเด่นเดียวมากเด่นเดียวจนน่ากลัวเลยอย่างท่านเดินจงกรมเนี่ยจิตใจท่านฟุง้งซ่านท่านรู้สึกว่าไม่ดีท่านไปแบกไม้ไว้ท่อดหนึ่งนะแบกอย่างกระไม้สูงนั้นนะแบกไว้บนบ่าแล้วก็เดิน ให้มันหนักหนักให้มันลําบากจะได้รู้สึกตัวเนี่ยพักเพียรขนาดนั้นเลยะตอนหลังถ้ามาเรียนอยู่หลวงพ่อภาวนาท่านาก็เข้าใจท่านก็โยนไม้ทิ้งไปนะเดินเป็นคนปกติเดินนะ้ตอนนี้ท่าน <c oughs> ก็มาถามท่านอาจารย์ทุกวันเลยนะผมตื่นมาเพราะว่าคิดแล้วเราวันนี้เราจะภาวนายัางไงดีจะถูกถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ลงมือภาวนาตามที่คิดว่าทําอย่างนี้จะดีเนี่นผมทําทําไปนะเหมือนเราไต่ภูเขา ขึ้นช่องนี้แหละถูกแล้วไต่ไต่ขึ้นไปเอ๊ไม่ใช่อีกแล้วฮนะก็ถอยลงมาใหม่มาเดินรอบเขาไปอีกเดินเดินไปหาช่องทางที่จะขึ้นอีกแล้วว่าภานาอ ย, ย่างไรจะถูกเนี่ยค้นคว้าหาทางที่จะขึ้นเขานะบอกขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่อีกลงมาอีกนะเดินไปค้นคว้าต่อไปอีกเส้นทางนี้น่าจะดีเสร็จแล้วก็ไม่ดีทำทีไรเขผิดทุกทีแล้วเส้นทางที่ถูกอยู่ที่ตรงไหนค่ะอาจารย์ถามหลวงพ่อนะ เราพ่อก็ตอบว่าเส้นทางที่ถูกไม่มีหรอกไม่มีหรอกสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้แล้วนะสมบูรณ์อยู่แล้วอย่าไปหาเส้นทางเอาเองหาไม่ได้อย่างบางคนไปคิดวิปั ส, สนาแบบใหม่ๆขึ้นมานะวิปั ส, ส, นนนป ส, สนาอย่างนน้นวิปัสนาอย่างนี้อะไรต่ออะไรถ้าสมาธิเนี่ยคิดใหม่ๆได้ว่าสมาธิไม่ใช่ปัญญาประจักษ์สุลุนะแต่เรื่องวิปัสนากรรมฐานเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคนหน่งคิดไม่ได้หรอก งเราก็ต้องเรียนว่าท่านสอนอยังไงศนะึกษาให้ดีเราไม่สามารถสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะนี่พระพุทเธเจ้าพูดเองไม่ใช่หลวงพ่อพูดเราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วงั้นหน้าที่ของเราที่พระเจ้าสอนไว้นะเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา อะไรที่ท่านไม่ให้ทําก็อย่าทําอะไรที่ท่านให้ทําก็ทําท่านให้เจริญศีลสมาธิปัญญานะาศีลสิกขาจิตสึกขาปัญญาสิกขาจะได้ศีลที่ถูกสมาธิที่ถูกได้ปัญญาที่ถูกต้องสิ่งที่ท่านห้ามไว้ว่าอย่าไปทําอย่าไปทําก็คืออย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายท่านห้ามไว้อย่างพวกเราคารวะเนี่ยห้าข้อเบื้องต้นห้าข้อเป็นเบสิคเลย ถ้าอยากจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมากกว่านั้นก็ดูข้ออื่นท่านห้ามอะไรอีกอ่ะท่านห้ามมาใบยมุกถ้ายังมีใ บ, บยมุกอยู่เนี่ยถึงจะมีถ้าบอกว่ามีศีลมีศีลไปไม่รอดหรอกนั้นอะไรที่ท่านห้ามเราก็อยา่าทําพวกเราใครยังเล่นหวยอยู่บ้างถามจริงจริงมีไหมยกมือหน่อยใครเล่นหวยเออยกมือก็หานยังเล่นอยู่ก็ก็บอกนะไม่ต้องโกหกโกหกครูบาอาจารย์ไม่ดีนะมันไม่ซื่อสัตย์มันต้องซื่อือ่อต่อกันนะ เราไม่ดีเราค็บอกไปลองไปสำรวจนะจดเอาไว้นะไปจดไว้ว่าถูกหวยกินไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ แ, แรงจะซื้อหวยมันจะลดลงเนะี่ยอย่างส่วยเราเล่นหวยเล่นบายมุกนะถามว่าเราชีวิตจะเจริญได้ไหมมันยากนะยกเว้นมีบุญเก่าให้ผลอย่างร้ายแรงจริงๆอะ่นะอย่างดูเดือดมากๆจริงๆอะ่ะเพราะเรากำลังทำกรรมใหม่คือโลภนะเราทากรรมใหม่คือโลภ เวลาไปเล่นหวยอยากถูกไหมหรือเล่นด้วยอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาไม่มีใครไปเล่นหรอกไม่สนุกเ ห, หมือนจะดูชกมวยใช่ไหมต้องเข้าข้างหนึ่งเฉียรอีกข้างหนึ่งนะต่อต้านอีกข้างหนึ่งมันต้องลำอาอียงอย่างน้นถึงสนุกในโลกอะ่ะนะนะถ้าเราไปสำรวจตัวให้ดีแล้วอะไรที่พุทธเจ้าห้ามแล้วเราทำนะเราจเจริญยากจเจริญยากนะถ้าอะไรที่ท่านห้ามแล้วเราก็อย่าทา เจริญอะไรที่ท่านบอกให้ทําเราก็ทําะอย่างท่านบอกว่าอย่าคบคนผ่านถ้าเราครบคนผ่านเราก็ไม่เจริญท่านบอกให้ควบบัณฑิตบัณฑิตไม่ใช่พวกจบปริญญานะพวกจบปริญญาเป็นมหาโจรเยอะแยะไปเป็นมหาโจรในชื่อบัณฑิตนะบัณฑิตคือผู้รู้ผิดชอบชัวดีนะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกถ้าเราครบบัณฑิตควบคนที่พาเราเจริญได้นะอเซวนาจะพาเรานางปณิตานั่นใช่ไห บูชาจะบู ช, นชานะีจะนบูชาเคารพ บ, บูชาคนที่วขวัเคารพเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้เราก็เจริญแล้วไปเาคารพบุญชั่วๆคนไม่วขวัเคารพเนี่ยเราก็ไม่เจริญหรอกจิตใจเราเพราะยแย่เนี่ยลองสํารวจนะธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนไว้มันไม่ใช่มีแค่ศีลห้าหรอกมันมีศีลแล้วมันมีธรรมด้วยนะมีศีลแล้วมีธรรมะอย่างไม่ครอบคนผ่านครอบบัณฑิตเลยเนี่ยเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่ให้เราเจริญขึ้นไป อย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ภาคเปลี่ยนไปสํารวจตัวเองอะไรบกพร่องก็พัฒนาเสียอย่าไปบกพร่องตลอดชีวิตอะไรที่พุทธเจ้าห้ามก็อย่าทำอะไรที่ท่านให้ทำก็ขยันทำเสียแล้วจะเจริญเจริญแน่นอนเจริญแล้วมีผลยังไงมีความสุขได้รับประโยชน์ได้รับความสุขในชีวิตอย่างท่านบอกอย่าไปเล่นการพนันนะเอาไปยมุกอย่าไปเอาถ้าเราไปทำนะมันเจริญยาก จิตใจเราก็าวุ่นวายนะเราก็ต้องเที่ยวสำรวจก่อนว่างวดนี้เลขเด็ดอยู่ที่ไหนต้องไปสืบ ม, มาว่าต้นไม้ต้นไหนขลังนะหรืออาจารย์องค์ไหนแน่อะไรนะเนี่ยเี่ยวไปสำรวจใจก็าวุ่นวายวันๆไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูใจหรอกบวชแต่ดูเลขนะเนี่ยสำรวจนะเราดูตัวเองไปสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับชีวิตเราสร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูลกัการภาวนาแล้วเสร็จแล้ ว, ลวเรามาเจริญ ธรมะขั้นสูงขึ้นมานี่เบสิกเนี่ยเราฝึกให้ดีศีล์อย่าให้ผิดทำก็เจริญเอาไว้สิ่งที่ท่านสอนไม่ครบพ้นไปก็บรรลุแล้วเนี่ยท่านให้ทําอะไรก็ทำํำทั้งสีนทั้งทำนี่ที่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานทําไว้หลังจากนั้นเราก็มาหัดเจริญสติให้ดีวิธีเจริญสตินะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราสั่งสติให้เกิดไม่ได้แต่เราทําเหตุของสติได้ เหตุที่ทําให้สติเกิดคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วพอสภาวะอ น, นั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองคือจะรู้ว่าสภาวะ น, นั้นปรากฏขึ้นแล้วอย่างเนี้ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอหนะ้าเราหันตัวปุ๊บเนี้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวเวลาฝึกฝึกขยับมือด้วยซ้าไปแต่หน้าหันเท่านั้นเองนะสติเกิดเองเลยรู้สึกตัวก็มาเอา้าใจลอยไปแล้ว นั่นก็มารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไม่ถนัดจะรู้สึกกายแล้วก็หัดรู้สึกสภาวะทางใจไปคนไหนขี้โกรธก็คอยดูใจหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ใจหายหงุดหงิดก็รู้ใจหงุดหงิดก็รู้หายหงุดหงิดก็รู้ฤ ด, ดูนี้ร้อนใช่ไหมหงุดหงิดง่ายนะอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดแล้วละ่ะงั้นเราคอยสังเกตใจเราใจเราหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้ เดี๋ยวหายไปแเราก็ค่อยรู้เดี๋ยวหงุดหงิ ด, ดก็รู้ต่อไปนะพอมันหงุดหงิดเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้ก็รู้เนี่ยเรียกว่าสติมันเกิดแล้วสติมันเกิดเองไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่ได้เจตนาให้เกิดนะใจมันจะมีคุณภาพเป็นะสติที่มีคุณภาพงั้นต้องฝึกนะสติตัวนี้เป็นของสําคัญทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่หัดรู้รูปนามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมาดีที่สุด จะไปทํากรรมฐานที่ไม่ใช้รูปนามนะไม่หมอเท่าไหร่หรอกมีใช้การคิดพิจารณาอะไรอย่าง น, นได้แต่สมถะถ้าจะทำกรรมฐานที่พระเจ้าสอนในสติปัฏฐานไปดูนะสติปัฏฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกรรมฐานที่ใช้รูปนามเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนี่เป็นรูปธรรมยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนี่เป็นรูปธรรมเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคู้เหยียดอะไรนะี้เดี่ยวซ้ายแลกขวารู้สึกอันนี้เป็นรูปธรรมใช่ไหม แต่บางอย่างไม่ใช่รูปธรรมอย่างการคิดพิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิคูณสุภะ น, นี้เป็นสมถตาธรรมดาธรรมดาแต่คอยคิดพิจารณาไปใจสงบได้สมาธิเหมือนกันคนละเรื่องกันงั้นถ้าจะหัดจเจริญสติให้ดีนะรู้รูรปธรรมรู้นมามธรรมไปดูที่พุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมนามธรรมอย่างหลวงพ่อเนีตอนเด็ๆนะ ใช้อนาปานสติหายใจหายใจให้จิตสงบจิตตั้งมั่นแต่ตอนที่จะมาเจริญปัญญามามีสติและมีสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาในขั้นที่การปฏิบัติจริงจังเนี่ยหลวงพ่อใช้ดูความรู้สึกเอารู้จิตจิตงวดหงิดขึ้นมาก็รู้จิตหายงวดหงิดก็รู้จิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตหายโลภก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตลังเลสงสัยก็รู้ จิตหายสงสัยละความสงสัยเกิดแล้วดับก็รู้นี่หัดรู้ทันสภาวะทางใจไปเรื่อยๆต่อมาพอสภาวะทางใจเกิดเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้ตรงไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้นี่แหละเรียกว่าสติตัวจริงเกิดและต้องฝึกจนตัวนี้เกิดขึ้นถ้าเรายังต้องจงใจให้สติเกิดอยู่จงใจให้ศีลจงใจให้สมาธิจงใจให้ปัญญาเกิดอยู่นะมันมีสิ่งที่เรียกว่ามาโนสัญญะเจตนา มโนสัญญาเจตนาความจงใจความจงใจตัวเนี้มันจะทำให้จิตสร้างพบจิตจะดิ้นรนจิตจะปรุงแต่งมากขึ้นแต่เบื้องต้นก็ต้องมีไปก่อนแล้วก็หัดทากรรมฐานนะเบื้องต้นมันก็ต้องจงใจก่อนแต่จนกระทั่งถึงจุดที่มันหมดความจงใจแล้วศีลสมาธิ่ป็ญากเกิดอัตโนมัติตรงนี้จิตจะไม่สร้างพบต่อนะ จิตจะเดินปัญญาอย่างแท้จริงในสุดจิตจะหลุดออกจากภพไดนะ้แต่ถ้าเรายัางโลภะเจตนานําหน้าอยู่เรื่อยๆไปเราได้แต่ความดนะียังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นได้จริงหรอกแต่เบื้องต้นก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนนะตั้งใจคอยรู้หายใจออกคอยรู้หายใจเข้าคอยรู้ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้เป็นสุขคอยรู้เป็นทุกข์คอยรู้โลภโกรธหลงคอยรู้ดีรักขึ้นมาคอรู้หัดรู้ไป ขนาดรู้อะไรก็รู้อันนั้นอ่ะรู้อันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องรู้ทุกอย่างนะกรรมฐานมีเยอะเพราะว่าคนมันมีเยอะแต่กรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งนั้นใช้ไม่มากหรอกนะรู้อันอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วล่ะแต่สังเกตให้ดีกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะเป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้าเห็นไหมหายใจทั้งวันนะไม่ใช่นานๆหายใจทียืนเดินนั่งนอนทําทั้งวันไหมตอนนี้ก็นั่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินก็ทําอยู่ทั้งวัน งั้นถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันหายใจออกหายใจเข้าได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งแล้วรู้สึกตัวได้มันก็รู้สึกได้ทั้งวันนะหรือท่านให้ดูสุขทุกเนี่ยความสุขความทุกความเฉยเฉยมันหมุนเวียนกันเกิดทั้งวันอย่างใจเราเนี่ยไม่สุขก็ทุกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเห็นไหมก็มีอยู่เท่านี้เองงั้นถ้าสุขก็รู้ทุกก็รู้เฉยก็รู้เนี่ยรู้ได้ทั้งวันนะแล้วดีกับชั่วล่ะ ถ้าไม่ดีก็ชั่วแหละในใจเราเนี่หมุนอยู่อย่างนั Walking, right. ้นแหะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็โหดหูนี่จะหมุนไปเปลี่ยนไปนะเนี่ยเราดูไปมันอยู่ได้ทั้งวันคนไหนขี Defense> ้โกรธนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายแค่นี้ก็มีให้ดูทั้งวันละนั่นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกให้เราเนี่ยเป็นกรรมฐานที่อันแรกเลยอยู่กับตัวเเราาออองงไม่ต้้ซืห ไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเลยคือกายกับใจของเราเนี่ยที่ท่านให้มาแล้วท่านให้ดูให้เลือกดูในมุมนะให้ดูสิ่งซึ่งมันเห็นได้ทั้งวันสิ่งซึ่งมันแสดงตัวอยู่ทั้งวันเพื่ออะไรดูได้ทั้งวันต่อไปสติมันเกิดเร็วเพราะมันเห็นบ่อยการที่จิตเห็นสภาวะบ่อยๆจิตเที่ยวจำสภาวะได้แม่นจิตซ้ำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดเองเงั้นะเราต้องฝึกนะอยู่ดีๆจะไปบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอก อย่างพวกเราบอกอยากบรรลุมรรคผลอยากบรรลุมรรคผลเนภาวนาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่บรรลุหรอกได้แต่อยากนะก็ยังดีกว่าไปอยากชั่วนะอยากบรรลุมรรคผลก็ยังดีนละแต่ต้องทำนะงั้นทากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้ทันอันะแรกถ้าจะฝึกให้เกิดสติก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยต่อไปสติเกิด สติเกิดแล้วรู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกได้แล้วต่อไปนี้เราจะพัฒนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้โดยสะดวกแล้วถ้าไม่มีสติอันเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยไม่มีหรอกพระสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงเป็นเนสภาะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงถ้าเราพัฒนาให้มีสติขึ้นมาจิตเราจะได้เป็นกุศล หจากนั้นเราพัฒนาศีลศีลเบื้องต้นที่คนทั่วๆไปเขารักษากัะนะเขาต้องตั้งใจสมาทานนะสมาทานศีลห้าไปขอจากพระนะขอไปขอมาพระแจกศีลทุกวันศีลหมดเลยลืมผลิตศีลขึ้นมานะศีลเลยเหี่ยวแห้งหายหมดเลยศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเม้นศีลไม่ได้อยู่ที่การขอนะงั้นเราไปขอจากพระหลายแห่งหนเลยเวลาไปเทศนะ เริ่มต้นต้องขอศีลก่อนแล้วดูหน้านะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆมันก็ถือศีลอยู่แล้วไม่ต้องขอหรอกไอ้พวกที่ชอบขอศีล น, นะไม่ค่อยถือศีลหรอกขอเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยหลวงพาพเคยไปเทศที่หนึ่งนะชมรมผู้สูงอายุนี่มาถึงก็ <c oughs> มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านให้ศีลว้แล้วท่านไปหลวงพ่อเทศต่อพอหลวงพ่อเริ่มเทศตอนที่เขาอารัธนา หลวงมาจะโลกานะผู้เฒ่าผู้แก่อู้พนมมือสลอนเลยทำหน้าตาเหมือนสนใจเนี่ยแต่พอหลวงพ่อเริ่มเทศ น, นะบางคนก็ควักตะบันหมากนะตะบันอย่างเดียวไม่พอนะคุยกันด้วยนั่นอคุยกันจ๊กแจ๊กจกแจ๊กเราเทศให้ตุกแก่ฟังเลยโยมไม่ฟังะในส่วนหลวงพ่อก็บอกโยมไม่ชาวรับสีหรื อ, อยังรับแล้วรับแล้ ว, ลวเจ้าค่ะ ผิดศีลแล้วรู้ไหมผิดยังไงพูดในโอกาสที่ไม่ควรพูดเรียกว่าพูดเพอเจอร์ผิดศีลต้องรักษาศีล น, นะเกิดเป็นลมตายไปเนี่ยจะได้บอกโย ม, มาบาลได้ว่ามีศีลคราวนี้ตั้งใจฟังอย่างดีเลยเพราะกลัวโยมพบาลไม่กลัวหลวงพ่อหรอกนะส่วนพวกเราเนี่ยไม่กลัวโยมพบาล น, นะกลัวหลวงพ่อนะเนี่ยศีล น, นะจริงๆไม่ต้องไปขอที่ใครหรอก ศีลจริงๆอยู่ที่เจตนา ง, งดเว้นงั้นเราตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นมีสติคุ้มครองใจของเราเวลาที่เราจะละเมิดศีลเนี่ยกิเลสต้องมาพอกิเลสมันมาพว๊บเรารู้ทันมีสติรู้ว่ากิเลสมาเนี่ยถ้าเราปล่อยเราจะผิดศีลเพราเราตั้งใจจะงดเว้นอยู่แล้วงั้นเราไม่ยอมถ้ากิเลสยังรุนแรงอยู่นะเราก็ไม่ยอมที่จะทําตามมันแต่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิด ต่อไปเนี่ยพอสติเราเข้มแข็งนะไปกิเลสมาปุ๊บเรารู้ปั๊บกิเลสก็ะเด็นหายไปเลยคราวนี้เรามีศีลโดยไม่ต้องรักษาแต่ศีนที่เบื้องต้นที่ต้องฝึกกันเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเว้นก็เรียกว่าเจตนาวิรัตคือตัวศีล น, นะเพรนั้นถ้าไม่ได้เจตนางดเว้นอ่ะไม่จัดว่าเป็นศีลอย่างสมว่าผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุ120ปีเห็นสาวสวยเดินมานะตัวเองก็ยังมีภรรยาอยู่ อยากจีบเขาเนี่ยแต่ไม่มีแรงจะไปจีบอยากเป็นชู้กับเขาแต่ไม่มีแรงเป็นชู้อันนี้ไม่ใช่ศีล น, นะศีลต้องประเภทพร้อมที่จะทําผิดได้แล้วมีเจตนา ง, งดเม้นอย่างนี้ถึงจะเป็นศีลจริงๆงั้นพวกเรานะถึงจะมีโอกาสทําชั่วแล้วเราก็ไม่ทําชั่วเราละอายแก่ใจเพราะเรามีสติกิเลสเกิดเรารู้ทันเราละอายแก่ใจว่าถ้าเราทําผิดศีลเนี่ยนะเสียชื่อเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอายเขา อายใครอายกก่ใจตัวเองอายคุณงามความดีนะเนี่ยเราก็ไม่ทําผิดศีลอย่างนี้ใช้ได้นะยิ่งดีเงินเบื้องตอนตั้งใจงดเม้นไว้แล้วมีสติคุ้มครองรักษาจิตอย่าให้มันละเมิดอย่าไม่ให้มันทําผิดถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปนะจะให้ทําผิดศีลให้เป็นเรื่องยากอย่างคนทีแรกทําผิดศีลง่ายอย่างด่าคนด่าทีแรกก็ด่านิดนิดหน่อยๆน่นะต่อมาด่าชํานาญด่าได้ทั้งวันอย่างเนี้ยมันชํานานนะ เออนะต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตจิตสังเกตใจไปนะสติมันเกิดนะต่อไปมันไม่ผิดศีลเวลาจะพูดผิดศีลออกมานะแม้มันละอายใจพูดไม่ได้เนี่ยนะค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะดีขึ้นถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีเครดิตที่ดีคนจะเชื่อถือเรานะนี่อ่านนี้ส่งที่เห็นๆเลย ที่บอกศีเลน่าสุขติิงยันติีศีลทําให้มีความสุขศีเลนา่าภูเขาสมถามีโพคทรัพยเนศศีเลน่านีิพูติงยันติดับความทุกข์ได้นะถ้าเรามีศีลเนี่ยคนเชื่อถือเราเนี่ยทำมาหากินง่ายใช่ไหมเราไปค้าขายอะไรกับใครเขาเนี่ไปเสนอขายเขาก็เชื่อเราเพราคนนี้มันมีศีลคงจะจริงสินค้าของเราคงจะดีจริงอย่างนี้ถ้าเราไม่มีศีลไปพูดแทบตายเขาไม่เชื่อนะดังนั้นถ้าหากินก็จะง่ายขึ้นนะเอี่ยระหว่าง ร้า น, นสมมุติว่าร้านโชว์หวยสองร้านร้านหนึ่งหวยจริงๆนะขายข้ามาโกงได้โกงเลยอะไรเนี้ยโกงตาช่างโกงสินค้าเอาของเลวคนของดีเอาเข้าวสารคนก้อนกลวดอะไรเงี้ยนะอีร้านหนึ่งโชของดีไม่โชว์หวยนะขายของคุณภาพดีพูดจาดีใครจะเข้าร้านไหนนะไม่มีศีล น, นะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมันจะเป็นคนที่มีเครดิตมากขึ้นไม่ต้องไปให้ธนาคารรับเราเครดิตเราหรอก เราจะมีเครดิตของเราเองนี้ตัดจากนั้นก็ฝึกให้มีสมาธิสมาธินี่คือความตั้งมั่นของจิตจิตปกติเนี่ยจะแส่สายแส่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสายไปสายมานึกออกไหมจิตเดี๋ยวก็สายไปทางตาสายไปที่หูสายทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสายไปสายมาเรื่อมันแส่สายนะมันเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ตอนนี้เรียกว่าโคจรคือ ท, ที่ท่องเที่ยวไปโคจรเนี่ยจริงๆแปลว่าทางไปของบัวโคแปลว่า บ, บัวทางไปของบัวจิตนี้เหมือนบัวเที่ยวไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบัวของอินเดียบัวของอินเดียเขาไม่ค่อยผูกค่อยมัดเหมือนบัวไทยนะบัวไทยคืนไปเดินเที่ยวหายหมดเลยกลายเป็นลูกชิ้นวัวแขก้วมันเดินไปไหนมันก็ไปของมันโคจรไปเรื่อยจิตของเราเนี้ยชอบโคจร น, นะ แต่ถ้าพูดคำว่าโครจรเนี่ยต้องนึกถึงภาพที่โคอินเดียนะเนะีย่ยมาทึกภาพโคไทยนึกไม่ออกหรอกโครจอรอย่างไรนะโครจรของอินเดียเนี่ยวัวเนี่ยเที่ยวไปนะเข้าตลาดก็ได้ไม่มีใครว่าเข้าไปในร้านขายผ้าเครื่องสำอางอะไรเข้าไปได้หมดนะเขาไม่ว่าหรอกเผลอแอบตีนิดหน่อยนะจิตเนี่ยเที่ยวไปเรื่อๆทางที่ท่องเที่ยวของจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวออกไปหาอารมณ์นะ ไปหาอารมณ์พอเจออารมณ์นี้ชอบใจก็ไปเสพมันเจออารมณ์นี้ไม่ชอบใจก็เสพอีกแหละแต่เสพแบบปฏิเสธวิ่งเกลียดมันเกลียดมันอยากให้หายไปเนี่ยจิตที่มันเที่ยวไปเรื่อยๆจิตที่ไม่มีสมาธิที่ดีนะจิตที่ไม่มีคุณภาพทํายังไงจิตจะไม่เที่ยวจิตมีหน้าที่เที่ยวห้ามมันไม่ได้หรอกจิตมันมีหน้าที่มันมีเ ค, ความเคยชินที่จะเที่ยวมันก็เที่ยวของมันไปให้เราอาศัยสติรู้ทัน บนะัวกําลังหนีออกทางประตูหน้าแลนะ้วรู้ทันวัวจะหนีออกประตูหลังแล้วรู้ทันบัวจะกระโดดหน้าต่างแล้วรู้ทันสมมติเราออกได้จิตของเราจะหนีไปทางไหนให้คอยรู้ไว้ไม่ห้ามแต่ให้คอยรู้จิตเนี่ยมีธรรมชาติที่แปลกอย่างหนึ่งถ้ารู้ทันนะไม่กล้าทําชั่วถ้ารู้ทันเราจะไม่ทําชั่วธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นจิตที่ทําชั่วได้นะเพราะเราไม่มีสติไปรู้ทันมันนั่นเราคอยรู้ทันจิตหนีไปแล้ว หนีไปดูรู้ทันหนีไปฟังรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันนีได้หกช่องทางมันเยอะเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนทีเดียวหกช่องมันทำยากนะเอามันช่องทางใจก่อนก็ได้เอามานอันเดียวแหละจิตหนีไปคอยรู้จิตหนีไปคิดคอยรู้หนีทางใจส่วนใหญ่หนีไปคิดถ้าไม่หนีไปคิดนะบางทีก็หนีไปเพ่งนะนี่หนีไปที่กายนะรู้ลมหายใจอยู่จิอยู่ที่ลมหนีไปที่กาย ส่วนมากเวลาที่เราทํากรรมฐานนะจิตไม่หนีไปที่ไก่ก็หนีไปที่ใจหนีไปใ น, ในความคิดเรียนรู้มันอยู่ตรงนี้นะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้นะไม่ต้องไปฝึกตอนในชีวิตธรรมดาเนี่ยาดใหม่ๆไปฝึกในชีวิตธรรมดานะหนีได้ตั้งหกช่องดูยากเอามันเหลือสองช่องคือไก่กับใจนะทกรรมฐานข้าหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ทาเถอะ ถ้าจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้หรือดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้นะขยับมือจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปจ้องอยู่ที่มือก็รู้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาอย่าไปห้ามมันถ้าห้ามเราเครียดตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเองเพราะจิตที่ไหลเนี่ยไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านนะไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลส ถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อ น, นั้นไม่มีกิเลสเมื่อนั้นเมื่อไหร่รู้ทันว่าฟุง้งซ่านเมื่อ น, นั้นไม่ฟุง้งซ่านนะไม่ต้องไปแก้เลยง่ายๆต้องฝึกนะก็ฝึกทีแรกก็ฝึกให้มีสติฝึกให้มีศีลฝึกให้เกิดสมาธิถัดจากนั้นก็ฝึกให้เดินปัญญาหลวงพ่อสอนก็วนอยู่แค่นี้แหละไปฟังซีดีดูได้ทุกวันเทศเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นบางคนก็ถามทําไมหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวัน หลวงพ่อก็จะย้อนเหมือนกันนะถ้าคืนถามก็โยมมาฟังทําไมฟังก็เรื่องเดิมทุกวันไปทําให้ได้สิถ้าทําได้แล้วก็ไม่ต้องฟังหรอกนี่ทำยังไม่ได้สักดีแต่สังเกตไหมฟังหลวงพ่อเทศซ้ําๆเนี่ยความเข้าใจเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมความเข้าใจเราเปลี่ยนนะสีที่หลวงพ่อสอนให้ฟังด้วยประโยคเดิมนั่นแหละแต่ใจเราแหละคุณภาพของใจไม่เหมือนเดิมหรอกใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่เคยคิดว่ารู้แล้วรู้แล้วนะก็ไม่ใช่ จากที่เคยคิดว่าเราดีก็ไม่ใช่นะเนี่ยคอยดูคอยดูไปนะฟังซ้ําแล้วซ้ำอีกนี่แหลนะวิธีเจริญปัญญาเขาสอนไว้เยอะแล้วนะนะดูกายดูยังไงดูจิต ด, ดูยังไงต้องให้สอนซ้ำไหมมีบางคนเนีไม่ไม่รู้เรื่องนะจะดูกายเนี่ยมีใจเป็นคนดูเบื้องต้นต้องยิ้มหวานหวานก่อนยิ้มหวานเอาทุกคนยิ้ม ยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องส่องกระจกถ้าส่องกระจกเดี๋ยวมันจะเปต่อเขียนคิ้วเขียนตาะเอาแค่เห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหัวเราะเห็นร่างกายพยักหน้าต่อไปก็ขยายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยิ้มก็เห็นทั้งตัวอย่างเนี้เห็นมันยิ้มไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ปากเอาละปากกระดิกแล้วนี่นี่นีนี่นะนี่นี่นะอย่างที่อย่าไปทำเลย มันะภาวนาไม่ได้เรื่องหรอกมันมั น, มนมเพ่งอยู่เอายิ้มหวานรู้สึกหัหยร่างกายมันยิ้มร่างกายกำลังยิ้มรู้สึกไหมนะเวลาดูร่างกายนะดูลงปัจจุบันเลยนะเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตที่รู้ร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถรู้ว่าร่างกายที่เป็นปัจจุบันได้นะเอาพยักหน้าเห็นหรู้สึกหมว่าร่างกายพยักหน้า เพราะนั้นเกรงไปเสื้อที่มีลายขวางๆเนี่ยร่างกายพยักหน้าอย่างนี้มากมากไปนะธรรมดาธรรมตาธรรมชาติที่สุดเลยนะแนะยกเขี่ยวยิงฟันอะไรก็ได้นะท่าทางยังไงก็ได้ไม่สําคัญหรอกกระดูกกระดิกแบบไหนก็ได้ไม่สําคัญหรอกสําคัญว่ามีสติไหมหนะลวงพ่อพุทธนะเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยบอกคุยกับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อนะ เอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าหลวงพ่อเขภาวนาได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อนึกในใจโอ้หลวงพ่อทําได้แต่ผมทําไม่ได้หรอกเราเราเอาหัวทิ่มพื้นเอาตีนชี้ฟ้าไม่เป็นหรอกเลยแต่สัาธินั้นมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถนะหรือเจริญปัญญานี่ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางท่าทางยังไงก็ได้ ยิ้มเห็นร่างกายมันยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจคนละอันกันเห็นไหมร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับ ใ, ใจเนี่ยคนละอันกันแล้วเห็นไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยจะฝึกอย่างนี้นะยะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปว่ากายนี้คือตัวเราเพราะมันเห็นแล้วมันไม่ใช่เราหรอกนั่นเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่เองของ่ายๆดูอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าดูใจ ดูใจเนี่ยดูลงปัจจุบันอย่างนี้ไม่ได้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่อรู้ลงปัจจุบันได้ดูจิตเนี่ยถ้ามชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งอย่างเดียวอย่างเวลาที่เราโกรธเราไปรู้อะไรหรือเราขับรถอยู่คนปาดหน้าจิตมันโกรธขึ้นมาในขณะที่จิตโกรธเนี่ยจิตมีอารมณ์ก็คือไอคนที่ปาดเราแมเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเราจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธเนีย่ยมาขับรถปาดหน้าเราพอเราโกรธปุ๊บเราจะไปดูคนนัน้น ในขณะที่เราไปดูคนโน้นเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตโกรธไม่ได้นะจิตมารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวไมนจะรู้ตามหลังเห็นคนโน้นปุ๊บปาดหน้าไปโกรธอีกจิตหนึ่งจิตดวงถัดมารู้ว่าเมื่อกี้นี่โกรธหรือจะพูดให้ชัดๆกว่า น, นี้นะโกรธแล้วมีคำว่าแล้วโกรธแล้วนะถ้าร่างกายเนี่ยมีคำว่ากำลังนะกำลังน่ากาลังปัจจุบัน ถ้าเป็นการดูจิตดูใจมีคำว่าแล้วโกรธแล้วโลบแล้วหลงไปแล้วเนี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้แต่ถ้าเวลามีความสุขดูแล้วมันดับไหมดับบ้างไม่ดับบ้างและจิตที่มีความสุขเนี่ยมี2ชนิดเป็นจิตที่เป็นกุศลก็มีไม่จําเป็นต้องดับนะเป็นจิตที่เป็นอกุศลก็มีถ้าอย่างนั้นเป็นอกุศลจิตมีโลภะมีความสุขขึ้นมาทันทีที่มีสติรู้ทันดับทันที นะเพราะมันเป็นอกุศลถ้าจิตมีความทุกข์รู้ระดับทันทีไหมรู้ระดับทันทีเพราะจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นจิตอกุศลอย่างเดียวเลยไม่มีจิตกุศลเนะี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไม่ต้องคิดมากนะรู้เท่าที่รู้ได้สีที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยเป็นแนวทางไปเถอะนะแล้วเราไปดูของจริงนะหัดรู้หัดดูไปทุกวันทุกวันนะมันจะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงหรอก จินี hmm. ้เดี ini, ๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้นะสั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดูอย่างเดียวอย่างไม่ได้เลยนะลองดูพระข้างหลังเนี่ยลองดูแล้วห้ามคิดลองดูซิทาได้ไหมห้ามคิดให้ดูพระอย่างเดียวเห็นไหม้จิตมันคิดได้เองบางคนดูจนลืมโลกเลยจากนั้นทําได้ด้วยการเพ่ง เนื้อการเพง่งถ้าจิตของคนปกตินะจะไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดแต่ถ้าเราเพ่งจนหมดความรู้สึกนะเห็นแต่แสงสว่างนิ่งอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันมีมันนิ่งคงที่ไม่คิดอะไรอันนั้นพวกเล่นกับศถ้าเล่นกับศีลแล้วทําได้ถ้าจิตของเราธรรมดาอย่างเงี้ยดูพวกมือคิดปับ๊บดูพวกมือคิดปับ๊บสลับไปเรื่อยๆไปดูสิมันจะเห็นเลยจิตมันทํางานได้เอง มันสุกมันก็สุกเองมันทุกข์มันก็ทุกข์เองมันดีมันชั่วมันก็เป็นเองตั้งใจจะดีมันก็ชั่วเนีตั้งใจว่าไม่ให้ทุกข์มันจะทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยเวลาเรามาดูจิตดูใจนะจะเห็นแต่ไม่เที่ยงเห็นแต่อนัตตาง่ายถ้าดูกายจะเห็นทุกข์จะเห็นอนัตตาง่ายร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า นมุมในการมองกายกับมองใจนะจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็มองกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นมองจิตเนี่ยโกรธแล้วโลบแล้วนะอย่างนี้ขึ้นมาไปฝึกนะถ้าเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วขยันไปเรื่อยๆไม่ทำสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามทำสิ่งที่ท่านสอนให้เจริญแล้วเราก็ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยชีวิตเราต้องดีขึ้น ทั้งทางโลกทั้งทางทธรรมแลธรรมะที่พระเจ้าสอนไม่ใช่เป็นธรรมะพ้นโลกอย่างเดียวธรรมะที่อยู่กับโลกก็สําคัญเพราะพวกเรายังอยู่กับโลกนั่นธรรมะที่อยู่กับโลกเนี่ยเยอะแยะเลยเช่นจะดูแลภรรยาอย่างไรภรรยามีหน้าที่ต่อสามียังไงสามีมีหน้าที่กับภรรยาอย่างไงพ่อแม่มีหน้าที่กับลูกอย่างไงลูกมีหน้าที่กับพ่อแม่อย่างไง นายจ้างมีหน้าที่กับลูกจ้างยังไงลูกจ้างมีหน้าที่กับนายจ้างยังไงเพื่อนกับเพื่อนมีหน้าที่ยังไงนะเรากับพระมีหน้าที่ยังไงต่อกันพระมีหน้าที่อะไรกับเรานะเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอันนี้อยู่กับโลกต้องทำถ้าทำแล้วมันมีความสงบสุขในโลกอย่างน้อยตัวเราก็สบายใจนะชีวิตจะดีขึ้นไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะไม่ยากไม่จนพอมีพอกินอาจจะไม่รวยมาก บางคนไม่ได้ทำบุญทำทานมาเท่าไหร่นะกาว่าจะรวยลูกเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีนะเพราะฉะนั้นทางโลกเราเป็นฆราวา์ธรรมะที่พู้เจ้าสอนเพื่อการมีชีวิตที่ดีในโลกเราก็ต้องทำนะศีลก็ต้องรักษาส่วนการที่จะฝึกสติศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดทำอย่างที่หลวงพ่อสอนเป็นฆราวาสก็ทาได้ นะไม่ใช่ทําได้เฉพาะพระนะคารวาะก็ทําได้เพราะความจริงแล้วไม่มีพระไม่มีคารวาะพวกเราไม่ได้บวชหลวงพ่อบวชในนี้อย่างหลวงพ่อเรียกว่าสมมุติสง์สมมุติสง์คือเป็นพระที่สมมุติขึ้นมาพวกเราอาจจะเป็นสาวกสังโฆเป็น ส, สงสาวกตัวจริงก็ได้ทั้งๆที่ไม่ได้บวชการใส่เครื่องแบบเนี่ยสมมุติขึ้นมานะแต่ว่าการดํารงชีวิตแบบพระเนี่ยในขั้นสูงๆขึ้นไปนะภาวนา ง, ง่าย พัาานาง่ายกว่าคารวะาชีวิตคารวะเนี่ยวุ่นวายมากนะแต่ว่าในเบื้องต้นขั้นโสดาสกตาคารเนี่ยคารวะทําได้ไม่แพ้พลาหรอกขอให้รู้หลักเท่านั้นแหละเพราคารวนะนาจิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันเลยก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันมีสติรู้ก็คือเจริญปัญญาทั้งวันไหมมีแต่ข้อดีนะไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวหรอกข้อเสียก็คือเราไม่ทําตามที่พระเจ้าสอนถ้าเราทำํำเราก็เป็นคารวะก็พาวนานได้ ทำนะวันหนึ่งเราอาจจะเป็นพระสงฆ์โดยที่ยังไม่ได้บวชพอเป็นพระสงฆ์แล้วสมควรบวชเราก็ไปบวชนะเพื่อว่าจะได้ทำพนันธิพานให้แจ้งนะตั้งใจไปทำประโยชน์ได้ก็ทำไปทำประโยชน์ไม่ได้เราก็อยู่ของเราเงียบเงียบไปนะเป็นหน้าที่ของเราศึกษาให้เข้าใจแล้วบอกต่อเท่าที่ทำได้อย่างบางยุคบางสมัยเนยบางท่านบารมีสูงอย่างพระพระเจกพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ไม่ได้บอกต่อไม่มีคนสมควรให้บอกก็ไม่บอกธรรมะไม่ใช่ของเอาไปเร่ขายนะได้โปรดเรียนเถิดไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะมีแต่ว่าลองมาเรียนดูสิอย่างนี้มีนะได้โปรดกรุณาศึกษาเถอไม่มีหรอกนะไม่มีถึงขนาดอ้อนวอนแต่ว่าเชิญชวนให้มาปฏิบัตินะไม่อ้อนวอนหรอกงันพวกเราดูหน้าดูตาพวกเราเปลี่ยนไปมากแล้วละ่ะพวกเราหัดภาวนากันมาพอสมควรแล้วนะ อย่าให้เสียชาติเกิดที่ได้เจอพระพุทธศาสนาอย่าให้เสียโอกาสที่ชีวิตนี้ยังมีกําลังแข็งแรงอยู่รีบภาวนาซะก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปหมดนะความแข็งแรงของเราก็เสื่อมสลายไปศา ส, สนาก็อาจจะไม่อยู่ก็ได้ศา ส, สนาพุทธสูญไปจากโลกมาตั้งหลายรอบแล้วนะเปลี่ยนพระพุทธเจ้ามาตั้งเยอะแล้วมีเป็นล้านล้านองคนะ์มีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งพูดถึงพระพุทธเจ้าห้าล้านกว่าองค์ ความจริงมีเยอะเหมือนั้นอีกนั้นศาสนาเองก็เกิดแล้วก็ดับไปรอวันที่พุทธเจ้ามงต่อไปจะมาค้นพบอีกพอค้นพบแล้วพุทธเจ้าประกาศสาวกมีคุณภาพสาวกก็บอกต่อได้สาวกไม่ดีไม่มีคุณภาพนะเขาบอกต่อไม่ได้หรือบางทีสาวกมีคุณภาพแต่ไม่มีคนที่สมควรจะเรียนแล้วท่านก็ไม่บอกนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะมีไม่มากนะ เวลาที่จะใช้ปฏิบัติเนี่ยเหลือไม่มากแล้วแต่ละคนบางคนก็ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเหลือไม่มากแล้วต้องปฏิบัติสักทีนะอ่ะวันนี้สมควรแก่เวลารู้สึกเป็นห่วงลูกหลานการนมัสการค่ะหนูส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะอืมว่าไปเลยช่วงหลังจากส่งการบ้านครั้งแรกหนูมีความรู้สึกมีความสุขตลอดอ แต่ว่าหลังจากนั้นช่วงหนึ่งเดือนหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่ามันมันมีทุกข์เจือบลนตลอดอ่ะคือหัดภาวนาใหม่ๆมันจะรู้สึกสุขเพราะอะไรหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยเราไม่เคยมีสมาธิจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขทันทีเลยพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน าจากนั้นเราจเจริญปัญญ า, าเพราะเราเจริญปัญญารู้สึกลงในกายกายนี้ทุกข์รู้สึกในจิตจิตทุกข์นะ น, นั้นเป็เราเริ่มเห็นความจริงคือเห็นทุกข์แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยยังไม่เป็นกลางพอใจเราถูกความทุกข์บีบขั้นถูกครอบงำเราถูกความทุกข์ครอบงำใจดูออกไหมออค่ะอย่าให้ครอบให้รู้ทันลงไปว่าจิตถูกความทุกข์ครอบงาอยู่ จิตก็จะหลุดออกจากความทุกข์นั้นเราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนนี้จิตไม่เป็นกลางนะงั้นภาวนาเนี่ยตาเป็นจะเห็นทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปบางคนบอกพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายท่านมองตามความเป็นจริงต่งางแต่ว่าท่านไม่ได้ถ้ามองโลกแง่ร้าเนี่ยหมายถึงบอกแต่ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีแก้ พระพุทธเจ้าไม่ได้มองโลกแค่รายท่านสอนวิธีแก้ด้วยวิธีที่เราอย่าพ้นจากกองทุกข์งั้นเราอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบใจนะตอนนี้ถูกอารมณ์ครอบงําใจนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันอารมณ์ก็กระเด็นออกไปนะใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายต่อไปรู้รูป ร, รู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคําว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดล่ะ mm hmm. ส่วนใหญ่ไม่กลางหรอกงั้นบางคนจะพูด พูดพล่อยๆปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันสักว่ารู้ว่าเห็นโทรว่าจะรู้เห็นอะไรไม่มีทางหรอกคาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่ง่ายนะต้องปัญญาแก่รอบจริงๆถึงจะเกิดสักว่ารู้ว่าเห็นได้อี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเราไปรู้ไปเห็นแล้วใจเราเศร้าหมองถูกโทรสะครอบไปดูต่อ้วในบางครั้งที่หนูเหมือนจะผิดซีนข้อส่อย่างนี้ค่ะ ในช่วงก่อนหน้านี้หนูจะมีความรู้สึกละอายแต่วา่าตอนนี้หนูแค่คือมองบัญชเฉยๆใจเราถูกกิเลสครอบงําอยู่นะให้รู้หลงไปสติเราไม่เกิดหรอกแน่ใจเราเียงถูกกิเลสครอบงําถูกความเศร้าหมองครอบงําเนี่ยเป็นโทสะนะเมื่อจิตมีโทสะอยู่จิตนั้นไม่มีกุศลหรอกสติไม่มีหรอกเพราะงั้นดูไม่รู้เรื่องหรอกนะไปรู้ทันเลยโทสะความเศร้าโศกนี่ครอบงําใจอยู่ดูเข้าไป จิตจะหลุดออกมาคราวนี้ยจะทําผิดสี่ก็จะละอายใจแล้ะแม้นจิตไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลไม่กลัวบาปหรอกคือหนูย อ, อยู่ในร่องร อ, รอยใช่ไหมคะถ้าไปดูไม่ให้จิตถูกอารมณ์คร่อมงามก็อยู่ในร่องรอยนะะตัดไปจาบน้ำมาส่าจค่ะหลวงพ่อเวลาหนูพอดมาหนูพูดดังทีเกิดหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง <laughs> เวลาเวลาธรรมดาเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันเวลาหนูคุยกับเพื่อนอย่างะะเง อ, อ้จะมีช่วงที่หนูเหมือนแบบหายไปแบบฟังเขาไมู่้เรื่องทั้งที่อยู่ใจ อ, อ, อยู่นะคะใจใจมันหนีโลกมากไปนะใจมันหลบเข้าไปอยู่ข้างในติดสมถะเป็นหนีโลกนั้นมันมีฉันท่าหน่อยออกมาอยู่กับโลกออกมาเรียนรู้โลกมาดูมีหน้าที่ทำงานต้นสนใจงาน นี้ยทุกอย่างจะหนีหมดนะจะหนีเข้าถ้าอย่ายอมนะบางทีมันออกมาเจริญปัญญาพอมันเห็นทุกข์แล้วมันกลัวใจมันหนีเข้าข้างในเลยมันกลัวทุกข์ไปสังเกตไหมใจมันกลัวนั่นแหละโทสะครอบงําแล้วหนีนะไปรู้ทันอีกเส้นทางนี้นะเส้นทางของคนกล้านะไม่หนีสู้วันหนึ่งก็ชนะได้ไม่กลัวมันอ่ต่อไป ใคฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกกระแสฟุ้งส่านเยอะ <c oughs> อ่ะาาสาบนมัสการหลวงพ่อเช้าวค่ะคือว่าในชีวิตประจำวันที่ที่เป็นอยู่อะค่ะอ่าตัวหนูเนี่ยพอจะทราบว่าความเพียรยังไม่มากนะแต่ว่าพอเห็นได้บ้างในจิตที่ เวลาอย่างเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อทิเทศมาอย่างบางครั้งเป็นอกุศลบ้างมีความเห็นแก่ตัวบ้างมีอะไรที่ไม่ดีเยอะมาก ก, ก็เห็นค่ะมีกรนนั่นแหละดีนะมีกิเลสรือว่ามีกิเลสนะเนี่ยดีก็พอเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาตลอดไม่ได้สติเราไม่ได้เกิดทั้งวันนะมันไม่ใช่ภูมิภูมิของเรารู้บ้างเผลอบ้าง นะต่อไปพอเรารู้บ้างเผลอบ้างบ่อยๆนะหาจรู้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันจะรู้เร็วขึ้นเพราะสติเราจะเร็วขึ้นงั้นอย่างทีแรกต้องอารมณ์แรงมากพอก่อนถึงจะรู้สนะแต่เราหัดดูบ่อยๆต่อไปอารมณ์เบาๆเราก็รู้สึกอย่างทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงรู้ต่อไปนะใจหุดหงิดนิดเดียวก็เห็นแนละ้มันจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นและละเอียดขึ้นบ่อยขึ้นค่ะแล้วในบางครั้ง อันนั้นคือที่สภาวะจิตใช่ไหมคะแล้วก็ในสภาวะกายในบางครั้งที่เราไม่ได้นั่งภาวนาแต่ว่าดำเนินชีวิตประจําวันในบางครั้งมันรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายที่มันเหมือนเป็นหัวใจเต้นบ้างมีเหมือนชีพจรเต้นบ้างในบางที่เราก็ตามรู้ไปใช่ดูสิมันไม่ใช่เราหรอกน ะ, ะมันเต้นก็มันเต้นของมันเองเห็นไหมไม่ใช่เราดูไป ถ้าเราเห็นกาย <S <S เห็นใจนะแสดงใจรักอยู่เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเราเหนื่อยเราก็ทําสมถะนะทําสมถะอะไรไม่เป็นก็วสวดมนต์ยาวๆหน่อยสวดไปเรื่อยๆสวดเป็นอยู่บทเดียวก็สวดมันบทเดียวสวดเป็นประโยคเดียวก็ประโยคเดียวะสวดสบายๆใจก็ได้สมถะคือแบบนี้นี่คือทำมาถูกแล้วใช่ไถูกแล้วเห็นไหมว่าขันมันแยกได้นะ แยกขันได้นะไม่ธรรมดานะยากมากมันเริ่มเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงเออนี่ยแหละมันเห็นว่าร่างกายมันมันจะต้องดําเนินไปสู่ความตายมันจิตมันเริ่มกลัวเหมือนกันเลยนะสามคนอ่ะสามคนนี้เริ่มเดินปัญญาล้วเมื่อเราเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งนยมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาบางคนรู้สึกกลัวรู้สึกชีวิตนี่เป็นของน่ากลัวนะมีแต่แปรปรวนไม่แน่นอนเลยบางคนรู้สึกน่าเบื่อ บางคนรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์แต่โทษเรารู้สึกมีแต่ทุกข์แต่โทษให้รู้ทันความรู้สึกนี้อย่าให้ครอบใจได้เป็นทางผ่านนะมันคือกลุ่มของอ ะ, อะไรพระ ย, ะรายาตูปัทานญาณอาทินวะญาณเหนือพนิพิจายานใจจะเข้ามากลุ่มนี้เป็นธรรมดาภาวนานแล้วถ้จเจริญปัญญาถูกนะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่ถ้าเป็นแล้วถูก ความเศร้าหมองครอบแช่อยู่ก็ไม่พัฒนาถ้ารู้ทันว่าจิตเศร้าหมองอยู่ความเศร้าหมองดับไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เดินปัญญาต่อนี่เป็นทางผ่านเป็นทุกคนนะไม่ต้องตกใจก็คือให้ปฏิบัติอ่าอย่างไรเลยไปให้รู้ทันอย่าอย่าให้ความเศร้าหมองครอบงําใจนะเนี่ยสามคนนี้ปัญหาเดียวกันเลยเนหะ็นไหมแต่คนนี้ครอบแล้วหนีะคนนี้ครอบแล้ว ย, ยังสู้อยู่คนนี้ครอบแล้วโมโห ครับในมรดการหลวงพ่อครับครั้งนี้ส่งกันบ้านครั้งแรกครับตทริปปฏิบัติคือเดินจงกรมครับแต่รู้สึกว่าขณะเดินจงกรมรู้สึกว่าจิตตนเองไม่ไม่ถึงฐานไม่ถึงไม่ถึงฐานก็ไม่เป็นไรบ่อยๆครับเลยไม่ไม่ทราบว่าตนเองติดอะไรอยู่หรือเปล่าจิตมันไม่ถึงฐานนะก็ไม่ต้องไปตกใจนะถ้ารู้ว่าไม่ถึงฐานเนี่ยบางคนมันก็เข้าเอง แต่ถ้ามันไม่เข้าช่วยมันหน่อยน้อมจิตกลับมารู้สึกในร่างกายนะถึงยังไม่ถึงฐาน 100% เแต่ไม่เกินกายออกไปก็ยังใช้ไดนะ้กลับมารู้สึกในร่างกายไป ห, หรือถ้าใช้วิธีอู่ใบที่หลภาพเคยใชนะ้เราเอาความรู้สึกตัวจับอยู่ที่ลมหายใจนะเราหายใจเข้ามาหายใจเข้ามาความรู้สึกมันจะกลับเข้ามาข้างในแต่นี้ถ้าทำบ่อยๆนะจิตจะแน่นเกินไปไม่ดี ไปกลับมาเขรู้สึกในกายเนี่ยจะปลอดภัยกว่ามีทําอยู่มันถูกทางถูกสิถูกอย่างน้อยเราก็เห็นนะจิตไม่ถึงฐานคนในโลกเนี้ยจิตไม่ถึงฐานสักคนหรอกแต่เขาไม่เคยรู้เพราะเขาไม่มีทางแก้เลยในขณะที่จิตของเราออกนอกฐานแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยต่อไปเมื่อจะเข้าบ้านเนีเดินปัญญาต่อได้เรามีทางไปในขณะที่คนในโลกไม่มีทางไปเลยใช่ไหม ไม่ใช่เขามีทางไปอาบายบที่ว่าไม่มีทางไปก็ไม่มีทางไปนิพพานส่วนไปสวรรค์ไปอะไรเนี่ยทาความดีไปได้หลงบุญหลงอะไรก็ ย, ยังไปได้แต่ไปนิพพานไม่ได้ตามนวัสการครับครั้งที่แล้วส่งการบ้านกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทำถูกแล้วแต่ว่าจิตยังฟุ้งอยู่ตอนนี้ก็คือกลับไป ทำในรูปแบบก็คือพยายามทําอานาปนาสติครับแล้วคือจริงๆแล้วเหมือนตอนนี้ในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าเหมือนบางครั้งเราก็เห็นกายอืถูกรู้สึกไหมว่าพอวนาดีขึ้นน่ะครัแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนว่าที่รู้สึกว่ามันแยกอ่ะคือคิดไปเองไม่ได้คิดเองมันแยกจริงๆมันแยกจริงๆเออมันแยกจริงๆนะแต่คือบางครั้งครับเวลาผมนั่งสมาธิครับ คือเหมือนบางครั้งมันจะดูเหมือนทื่อๆแล้วพอว่าเรารู้ว่ามันเหมือนแบบทื่อๆแล้วมันก็ไม่หายแล้วกลับมาดูไกาเลยมาพิจารณาถ้าจิตไปติดทื่อๆนะให้อาศัยการคิดคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างเนี่ยไม่เที่ยงอยู่กับเราชั่วคราวอะไรก็ว่าไปแก่เท่าสุดโทมอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบนึกว่าไปติดสมาธิหรือติดอะไรหรือเปล่า ถ้าถ้าจิตทื่อๆติดสมาธิแต่ว่าก็ยังรู้ว่าคือณเวลาที่นั่งสมาธิครับก็ยังรู้ว่ายังรู้ว่าคิดยังรู้รู้ว่าคิดก็รู้ครับมันเห็นสิ่งอื่นเคลื่อนไหวนะแต่มันเหลือตัวนิ่งๆอยู่ตัวอันนี้ยังไม่ดีนะมันต้องเห็นว่าอารมณ์นะเกิดดับจิตที่เป็นผู้รู้เองก็เกิดดับไม่งั้นจะสงวนตัวรู้ให้เที่ยงอารมณ์เกิดดับ แต่ตัวรู้เที่ยงคงที่เฉยอย่างนี้ไม่เดินปัญญา จ, จริงเพราะฉะนั้นถ้าจิตติดเฉยต้องแกะมาพิจรารณากายมาอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเวลาผมติดเฉยผมก็ได้แบบพอหายใจแรงๆได้ได้ขอบอกครับเออให้จิมนเคยเยื่นไปเท่านั้นแหละน ะ, mm hmm. นะอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ผมเริ่มทำแบบแยกกายแยกกยแยกแย ก, แ, แยกสิ ไม่รู้สึกเหรอ ร, รู้สึกมัน แ, <ต>แยกแล ล, กล้ว่ะกลัวกลัวว่าแบบเหมือนว่าฟังเยอะๆแล้วก็กลายเป็นคิด ไ, ไม่ใช่ที่เราไม่ได้ครับที่เรามันไม่เป็นอย่างนี้ครับแล้วผมจะต้องทําอะไรต่อถึงจะเดินปัญญาครับก็เดินปัญญาไปดู ด, ดูเราแยกขันได้แล้วเนี่ยดูขันมันทํางานไปถ้าเห็นจิตชัดก็ดูจิตดูจิตไม่ชัดตัวเห็นกายมันทํางานดูไม่ชัดสักอย่างก็ทําสมถะพุโทโธไปหายใจอะไรก็ได้ เพราะว่าโดยมากในชีวิตประจําวันก็จะเห็นกายเป็นหลักขึ้นเหมือนแบบบางทีก็ไม่ไม่เคยอะไรเลยพอนึกถึงว่าอ้ามาหยุดนึกถึงมาถึงที่กายปุ๊บ ก, ก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเหมือนเราเห็นกายอยู่ถูกถูกแล้วนะใช้ได้เราถนัดดู ก, กายเราดู ก, กายไปเลยแต่อย่าให้จิตเฉยเวลาเราทํากายานุปัสสนานะเราเห็นร่างกายทํางานจิตเป็นคนดูแต่ตัวจิตเองก็ตกอยู่ยใต้ใจรักด้วย เวลาเราเจริญเวทนานุตปัสน า, าเราเห็นเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเกิดดับไปจิตที่เป็นคนดูก็เกิดดับด้วยนะเราเวลาเราทําจิตตานุปัสน า, าเราเห็นกุศลอกุศลเกิดดับจิตที่ไปรู้กุศลอกุศลก็เกิดดับด้วยนะเราไม่สงวนตัวรู้ให้คงที่นะค อ, อันสุดท้ายครับคือเหมือนบางครั้งเรื่องเรื่องที่เห็นกายแล้วบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอะครับ แ, แต่ว่า รู้สึกบางครั้งก็รู้สึกแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึกเออบางครั้งปัญญาก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดมันยังไม่ใช่ภูมิที่ได้เห็แล้วพอรู้อย่างนี้ภูมิก็รู้สึกว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าวะไม่คิดเราเนี่คิดมากไปครับกลัวผิดมากไปถูกแล้วครับขอบคุณครับพาวาใช้ได้นะพาวาดีนามัสการครับคุณหมอกครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มานะครับ การที่มาที่นี่ก็เหมือนเรื่องอัศจรรย์นะครับว่ามาเป็นเหตุบังเอิญที่ได้มาครับเริ่มเรื่องการภาวนาเลยนะครับเริ่มเสียเวลาก็คือว่าผมอได้รับคําแนะนําจากอท่านสองท่านนะครับที่ที่ได้รู้จักโดยบังเอิญ น, นี่ครับให้เลือกอ่าในส่วนตัวเนี้คือเลือกโทสะในการมาดูตามรู้นะครับเพราะว่ามันมันชัดที่สุดสําหรับตัวผมนะครับก็พอมาดูปุ๊บเนี่ย่าแล้วก็ตอนช่วงแรกยังไม่ทันนะครับ พอาอมาทันปุ๊บเนี่ยจะไม่ทันละลอกที่สองที่ว่าเราเกิดความไม่พอใจในในส่วนที่เราไปรู้ตรงส่วนนั้นอแล้วพอได้รับคําแนะนําเพิ่ ม, เ ต, มเติมปุ๊บเนี่ยแล้วพร้อมกับได้ฟังไฟล์เสียงของหลวงพ่อนะครับก็ทันละลอกที่สองพอทันปุ๊บเนี่ยมันเกิดความสงบขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดพอดีช่วงช่วงที่ทันช่วงแรกเนี่ยมีความคิดในอดีตเกิดขึ้นมาก็เลยไม่ทันได้ดูต่อเนื่องแต่เมื่ อ, อไม่นานมาเนี้ยครับ ระหว่างที่ขับรถอยู่มีโธส่าเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อไปรู้ปุ๊บว่าเรามีโทส่าอยู่เราวคราวนี้มันกลับแปลกที่ว่าเราไปเห็นความรู้สึกนะครับว่ามันเป็นคนส่วนกับกับตัวเราเนี่ยแหละดีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ยังตามดูได้อีกปรากฏว่าเห็นมันค่อยๆลดระดับลงจนหายไปกับมไม่เหลือฝุ่นที่แบบยังคงเหลืออยู่ครับนั่นแหละแยกขันนะแยกขันได้โทส่า มันอยู่ในสังขารขันจิตที่เป็นคนไปรู้อยู่ในวินญาณขันก็รักขันกันนะแล้วแต่ละตัวก็ทํางานให้เราดูแสดงใจรักณ์ให้เราดูครับอันนี้มาถูกทางไหถูกแล้วล่ะแต่ตอนเนี้จิตถึงฐานไหมดูออกไหมถ้าตอนนี้พอรู้สึกตัวอยู่ครับรู้สึกอย่างเนี้นะจิตยังไม่เข้าฐานคจิตยังอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ที่หลวงพ่อครับเออจิตมัอยู่ที่หลวงพ่อถ้ารู้ทันนก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าคิดว่าตอนนี้ถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ถ้ายังไงก็ผ่านครับหลวงพ่อพอจะแนะนําเพิ่มเติมให้ผมได้ไหมครับอย่าคิดเยอะดูสภาวะซึ่งซึ่งหน้าไปนะครับอย่าไปคิดก้นกว่าอะไรมากนักนะเดี๋ยวปัญญาจะล้าซะครับก็คือให้ให้พี่จันให้ดูไปตรงรู้ไปรู้ไปตรงๆครับรู้ไปเฉพาะหน้านี้แหละครับนะถ้าคนกว้ามากเดี๋ยวปัญญามันล้ําไปครับปัญญามันพร้อมจะล้าครับ <อ>ต่อไปมีไหมค่ะกราบน้มัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อขอกราบเรียนหลวงพ่อแทนคุณพ่อสักเล็กน้อยค่ะคือเคยไปเรียนถามหลวงพ่อที่วัดนะคะว่าคุณพ่ออายุแปดสิบแล้วแล้วก็ติดความสุขจากความสงบมานานหลวงพ่อก็แนะนําประมาณว่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับคุณพ่อให้ให้คุณพ่อทําตามที่คุณพ่อถนัดแต่พอ ค่ะแต่พอพักหลังคุณพ่อมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วไม่กี่วันเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเออพ่อรู้สึกพ่อแยกกายกับใจแล้วรู้สึกออมีความสุขขึ้นออก็เลย ช, ชวนคุณพ่อมา <laughs> มาม า, มาค่ะไม่ไม่ได้บังคับค่ะถามความสมัครใจค่ะเพราะวันนี้คุณพ่อมาด้วยความเต็มใจค่ะเออนั่นแหละพาวนาดีขึ้นแล้วละ่ะมาสักการหลวงพ่อครับยมนั่งก็ได้นั่งครับคือช่วงเนี้ยนะฮะครับพยายามแยก มันแยกอยู่แล้วล่ะมันแยกได้แล้วครับแยกกายแยกแยกกายใจหลังจากฟังเสีดีเนี่ยครับคือเอากายเป็นตัวแสดงอืฮะแล้วก็ใจเป็นคนดูถูครับแล้วก็กายไปยังไงไงไงยงใจก็ดูอยู่ตลอดใช่กายนั่งกายยืนกายนอน ดูดูตอนอดขเอจนก็ระทั้งนอนนะฮะดีข้อนอนก็ยังทําอยู่เพราะเรากำลังนอนใช่นันเราก็ะโดดแยกกายแยกใระโดดครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะเขาขออนั้นได้จะทําสมาธิใช่นะครับันกา้แยกกายแยกใจได้นะมันเป็นคจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาครับนะ แล้วอะไรอีกพอฟังหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตตลอดฮะอืมก็เลยสงสัยว่าเอะจิตจิตใจจิตใจอันเดียวกันอันเดียวกันนะ่ไหมฮะคือตัวที่เป็นคนรู้ครับบางทีก็ไปรู้ร่างกายบางทีก็ไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์บางทีก็ไปรู้โลภโกรธหลงอะไรก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้ครับเขอยอมภาวนาดีนะได้แล้วล่ะครับ แล้วตอนนี้ถ้าภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสีนสมาธิปัญญาเราค่อยแก่กล้าไปเรื่อยๆโยมภาวนาไปอย่างนี้แหละถูกแล้วครับ oh. คือคนซึ่งมีสมาธินะไม่ใช่ว่ามันเสียนะสมาธิเนี่ยถ้าต่อยอดขึ้นเดินปัญญาได้มันจะไปเร็ว oh. เพราะ oh. อะไรมันจะรู้ได้ทั้งวันเลยครับ oh. ในขณะที่พวกที่ไม่มีสมาธิพวกสมาธิสั้นน่ะ รู้ได้แวบหนึ่งก็หลงไปยาวเลยอย่างโยมเนี่ยโยมเห็นร่างกายนอนได้ทั้งหลับทั้งตื่นนะบางทีเวลาหลับอยู่ร่างกายกระดุกรดกระดิบมียังรู้ได้เองเลยครับรู้ได้มันรู้เองแหละนั่นแหละเพราะกําลังของสมาธิเราเยอะดีแล้วล่ะดูอย่างนั้นแหละท่านนี้ความจริงมันมีเวลาทั้งวันนะฮะนั่นแหละดูทั้งวันเลยรู้ได้ทั้งวันนะฮะอ็ดูใจรู้กายกระดูใจยแยกจากกันเอนนะฮะฝึกไปนะฝึกไป ถ้าบารมีเต็มแล้วก็จะได้พักได้ผลในชีวิตนี้นถ้ายัางพล่องอยู่ก็ถัดไปมันก็จะยังได้ง่ายขาไ ป, ไปต่อได้ง่ายคอือเห็นอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อนะฮะนี่แหละกลายกายเห็นเออเอาเอาพี่นิหารซีดีเห็นไหม <laughs> ฟังซีดีนะ โมทนายมให้คนอื่นบ้างนะเดี๋ยวไม่ต่ามีโยมาแล้วเออแต่สาวน่ะค่ะนมาสักการหลวงพ่อค่ะอ้าวว่ามาอ้าคือเกิดเหตุการณ์แปลกๆคือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าภาวนาอยู่แต่เวลาเกิดโทรศัขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปพูดไปแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นคนดูอยู่ก็รู้สึกใช้ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเคาจะเกิดอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเวลาเราิดศีลไหม ไม่ไม่ไม่ด่าค่ะคือเห็นเหมือนกับเห็นเราเนี่ยไปด่าเขาไปแล้วแต่เราเนี่ยเป็นคนดูอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วแล้วนั่นใครแล้วอันนี้ใครอะไรอให้รู้ทันนะให้รู้ทันไปรู้ทันตัวที่รู้ใช่ป่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอย่ไปจ้องใส่ตัวที่รู้นะแค่เห็นว่ามันมีอยู่สองตัวเสรแล้วตัวทํางานไปแ่ะแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องสองตัวเลยค่ะรู้สึกสบายสบายอย่าไปจ้องใส่ตัวดูนะจ้องใส่ตัวดูจะไปติดสมถะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ ถล่มไปดูไอ้ตัวโน้นด้วยเราแค่เห็นได้ตัวโน้นแสดงไปตัวนี้เป็นคนดูสบายๆแค่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันนะค่ะแล้วบางทีรู้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยไม่รู้ตัวไหนก็พยายามเหมือนกับไปอย่าไปหามันจับหลวงพ่อหลวงพ่อก็หายไปอีกอย่างนี้ค่ะะก็เลยไม่แน่ใจว่าว่าติดอะไรบ้ดูย่างนี้ดูว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับะดยอย่างนี้ไปไม่ต้องไปจับอะไรหรอก แต่ถ้าใจมันรู้สึกว่าวเวจะตะครุบโน่นตะครุบนี่มันกลัวว่าตัวตนหายอ่ะใั่ไหมจะกลัวให้รู้ว่ากลัวไปเลยก็ดูไปซึ้งซึ้งหน้าเลยซึ้งซึ้หน้าเลยดูความรู้สึกซึ้งซึ้หน้าเลยค่ะไม่ต้องหลบเข้ามาดูลมหายใจหรือไปหาหลวงพ่อใช่ไหมคะเออไม่ต้องวิ่งมาหาหลวงพ่อนะขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปโยมลองกล้าหาหน่อยส่งผ่านเลย โยบไม่ได้มีปัญหาผมผมมีบ้างเล็กน้อยครับอ้าวมีนิดหน่อยเอาว่ามามีมีบ้านเล็กน้อย <c oughs> ออย่างที่ว่าอจิตเกิดที่ตาหูจมูกดินกายใจออืก็ทีนี้ผมคิคิดไมออกอย่าไปคิดเอาทีนี้ก็ถามคนหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าว่าจะมาถามหลวงลพ่อที่นี่ที่ไไปอ่านในหนังสือหลวงพ่อบอก ก็เราก็ดูคู่สนทนาตาตาดูพับดูแล้วก็หูก็ฟังหูฟังแล้วใจมาคิดนั่นแหะมันมันเกิดบันดับอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะใช่ดูอย่างนั้นทีนี้ผมสงสัยว่าอย่างขนาที่ผมดูดวงจันทร์เนี่ยดูอะไรนะดูดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ครับดูดวงจันทร์ถ้าเราดูงี้มันมันกลายเป็นเพ่งใช่ไหมครับใช่เพราะว่าดูดวงจันทร์ ที่มันจะดับมันไม่ดับไม่ดับหรอกอย่าไปเพ่งให้มันดับนะเสียดายไม่ดับไม่ดับอ๋อนะเป็นการเพ่งไปเราอย่าไปแทรกแสงสิ่งต่างๆนะแต่โยมไปสังเกตให้ดีตาของเราที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะเห็นแว่บเดียวะแล้วมันชัดอยู่แวบเดียวเดี๋ยวมันก็ไม่ชัดแล้วอย่างเราไปดูดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้ดับไปไหนหรอกแต่ว่าตาเนี่ยไม่ได้เห็นตลอดเวลา เราไม่ได้เห็นตลอดเวลาไอ้ที่ไปเพ่งนี่กลับไปที่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าที่เราเห็นได้นานๆนี่เป็นเอจิตมันเกิดซ้ำอยู่ในลักษณะเดียวกันนานๆเกิดดับเกิดดับเป็นแสนๆโกรดครั้งใช่ไหมครับเป็นอะไรนะเป็นแสนๆครั้งอ๋อเป็นใช่เป็นแสนโกรดขณะนาดแสนโกรดโยมอย่าคิดเยอะภาวนาห้ามคิดมากคือมัน เออเคยเคยเป็นนิสิตนักศึกษามาก็ไม่ต้องคิดเมืนก็เลยติดตามมาไม่เอาเราเลิกเป็นนักศึกษาละ <laughs> ให้คนอื่นเถอะนะโยมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผมขอถามอีกสักครั้งนะคะหลวงพ่อเออผมแยกกายแยกใจได้แล้วจังยังนะ <laughs> ถ้าโยมนั่งคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่แยกนะแต่เวลาโ ย, ยมรู้สึกอ่ะมันจะแยกแยก มันจะแยกเป็นคลาลารู้สึกไหมมันจะแยกได้เป็นคลาวาร์แต่เมื่อไรเราเพลินไปคิดนะมันก็รวมเป็นก้อนเดียวกันอ๋อเป็คลาวาร์มันไม่แยกตลอดไม่ไม่แยกตลอดแล้วการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นแล้วมันจะตลอดไปไหมฮะไม่ไม่ตั้งมั่นอะไรบ้งไม่ตลอดก็เหมือนกันเกิดดับอีกมันสมาธิเองก็เกิดดับนลใจที่ตื่นแล้วก็ หลับอีกบางที่ก็หลับอีกใช่มัน<า>ยังไม่เที่ยงทั้งสาอย่างนี้ไม่มีอะไรเราเป็นที่พึ่งไม่ได้อืมเราอาศัยสิ่งเหล่านี้นะเพื่อให้จิตได้เรียนรู้ความจริงให้จิตเข้าใจความจริงให้เกิดปัญญาแล้วแหละสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเมื่อเราต้องคอยซ่อมแซมเครื่องมือนี้สติถ้าเราไม่ฝึกซ้อมมันก็เสื่อมะสมาธิไม่ฝึกซ้อมมันก็เสื่อม การเจริญปัญญาไม่หัดพามันดูบ่อยๆมันก็เสื่อมครับหลวงพ่อถามหลวงพ่อจะโคตรเอ่อที่หลวงพ่อเคยพูดว่าขณะที่หลวงพ่อกําลังจะรับรับของบัคเขศเนี่ยหลวงพ่อเห็นจิตใ้กายมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยผมจังอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วนะออต้องดูเอาเองเอย่างนี่มันล้ําไปอ่ะ <laughs> <laughs> ล้แไป่ปัญญาร่ ำ, ำของโยมอะ่ะปัญหาหลักเลยนะคือปัญญามันล้มหน้าไปแล้วนะต้องเบรกต้องเบรกปัญญาไหมครัให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เลยนะโ<อ>ยมอย่าไปเรียกมันว่าปัญญาถ้าเราเรียกว่าปัญญาเราจะภูมิใจเราเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นความฟา <c oughs> าุ้ฟงซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกแล้วจะคิดธรรมะเนี่ยถ้าอย่างนี้แนละ้วมันจะเลิกเลยแล้วเราไอา้วยการที่ผมเรียกตัวเองว่าก้อนธาตุนี้อะไรเนี่ย มันเรียกไปโดยโวหารโวหารอเป็นวหเป็นโวหารนะจริงๆเออใจยังไม่ได้เห็นเป็นโวหารเป็นโวหารนะมันต้องให้ใจเห็นจริงๆถ้าใจเห็นจริงๆถ้าใจเห็นจริงใจไม่มีชื่อเรียกเลยมันจะรู้สึกถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เรียกเลยสิ่งนี้ไม่ใช่เราผมขอสรุปว่าการแยกกายแยกใจการตั้งหั่นของจิตเป็นคราวๆใจตื่นเนี่ยเป็นคราวๆใช่เป็นขเกิดมีแล้ว ก็ดับไปมีระดับมีระดับใช่ยิงทําไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รักษาก็เสื่อมเร็วอ๋อต้องต้องฝึกอยู่ตุนเลยใช่แล้วผมขอเวียนนิดหน่อ <c> ย <oughs> คือผมได้ฟังไอ้ได้ฟังที่อาจารย์เล่าว่าขนาดที่อาจารย์เป็นลาวบาทอาจารย์เดินจงกรมเนี่ยจากไหนไปถึงไหนเนี่ยเดินจงกรมตลอด ก็หมายว่าเราไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาก็ได้เดินโยมนี่เดินต<ด>ลอดทาง ก, ก็บ<ด> <ret ard. S 2> รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าอันนี้เอขวาก้าวขว า, ขวาไ ม, <u> ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเดินอย่างสมถะเดิรู้สึกตัวเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้สึกไปร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรอกไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะเห็นไหมโยมปัญญาล้ําหน้าล้ําไปหลายเรื่องแล้วให้คนอื่นเขาบ้างกขาได้เดี๋ยวคนข้างๆเขาจะบ้ามเมาเนาะ ถ้าท า, างตากว้างๆแล้วพวกที่อยู่ข้างๆอรุณสวัสดีค่ะหลวงพ่อมากไปคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเก้าเดือนแล้วค่ะอืมแล้วก็เคยแบบวันนี้ตื่นเต้นปึ้งที่เจอหลพ่อค่ะแล้วก็ อ, อยากให้บังหลวงพ่ออบรมสอนสั่งให้อบรมเหรออย่าทําความชั่วจงทําความดีจง <laughs> ทําจิตให้เฝ้งแพร่ <c oughs> มีสติไปนะมีสติไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วเวลาเราดูกายก็ดูเหมือนเห็นเป็นเปลือก <c oughs> เป็นโพง <c oughs> เป็นถ้ำนะเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนะี่ยดูไปเรื่อยนะของโยมถ้าดูกายแล้วจิตมันจะสลดนะจะสลดได้เร็วแต่วันน <c oughs> ี้รู้ตัวว่า ที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองฟงุ้ฟงซ่านเป็นคนฟุ้งซ่านเยอะออออมีหงุดหงิดง่ายออโอ้โหนั่นแหละความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตตอนนี้ตอนนี้พอรู้ทันแล้วค่ะมก็มันก็จะตัดใช่ได้ค่ะนักมาสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งได้ฟังของหลวงพ่อมาประมาณสองสามอาทิตย์ครับก็ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติได้ไปบวชมาแล้วก็เลยได้ไป ปฏิบัติพองยุบก็คือว่าก็คือจะตามว่าอาการไหนที่มันมาเด่นก็คือจะตามไปดูตัวนั้นแต่ก็พอมาฟังเสียีดีของหลวงพ่อก็คือว่าหลวงพ่อจะมาให้เราไปกํากับมันตอนนี้ก็ยังมีเผออยู่บ้างแต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าเพราะว่าของหลวงพ่อเนี่ยจะบอกว่าให้เราดูมันเกิดดับแต่บางทีมันเหมือนกับว่ามันยังมันยังอยู่มันยังไม่ดับแล้วมันมีสภาวะอื่นขึ้นมาผมก็จะไปตามดูนั้นแทน ก็คือจะตามอันไหนมันเด่นก็จะตามมอันไหนไปเรื่อยๆอันไหนเด่นนะครับอันไหนเด่นโดนนั้นแหละนะครับแล้วก็บางทีอย่างผมเป็นคนที้งุนหงิดอก็คือว่าโมโหง่ายคือบางทีมันพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บบางทีชอบเผลอไปเอ้าคือรู้มันมาแล้วเราก็เหมือนกับอืมมาแล้วนะแต่บางทีมันก็รู้มันมาปุ๊บยังไม่ทันไปอะไรมันเลยมันก็แวบก็เลยก็เหมือนอึ่งแป๊บนึ่งอาะเฮ้ยมันฟึบมันมันมันถ้าสติสติจริงๆเกิดนะพอรู้ปั๊บขาดปั๊บเลย ครับแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่ครับตอนนี้ตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่ามาครั้งแรกแล้วก็ได้มาสงกันบ้านเลยก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยครับถ้าอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้าจิตเหมือนอย่างตอนนี้ตลอดใช้ไม่ได้นะอย่างนี้มันเพ่งอยู่แล้วก็ผมต้องต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับต้องใจเย็นๆครับนะใจเย็นๆแล้วดูไปมีแต่ของที่เราบังคับไม่ได้ ตัวนัตตาไปเรื่อยๆครับแต่ที่ทําตอนนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าอันไหนมันมันยัง ไ, ไม่ดับแต่ว่าอันอื่นมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอันนี้โผล่มาอันนี้โผล่มาแต่ว่าบางทียังเผลอเผลอว่าเผลอไปกํากับ ม, มันอยู่เผลอว่าเพราะว่ามันเคยที่ว่าเอปอปวดเนาะรู้หนาอะไรก็จะไปตามมันก็จะเผลอไปกํากับอย่างนี้ก็คือห้ามรู้ให้รู้เฉยๆอย่างเดียวไอ้ที่ <ไง S 2> บริกรรมบริกรรมนะถ้าจะว่าใช้ได้ไหมในระดับหนึ่งก็ใช้ได้ครับอย่างพอโกรธขึ้นมาก็โกรธหนาะโกรธหนอ เป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังมีอยู่ถ้าเอาแค่นี้ก็ใช้ได้เพราะว่าอย่างบางทีพอมันไหลออกไปปุ๊บมันเหมือนความเคยพอลมมันผ่านจมูกผ่านเข้ามาท้องปุ๊บมันก็จะเหมือนกับดึงตเตงกลับมาได้แล้วก็บางทีก็ไม่ไหวหลุดทนกับมันสู้มันไม่ไหวอย่าไปดึงครับดึงมากก็เหนื่อยครับนจิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีจิตกลับมารู้ว่าจิตกลับมาครับ แล้วก็พอเราพอนาชํนานาญนะเราเห็นสภาวะแล้วสติเกิดเองแล้วอย่าไปกํากับมันครับกํากับมันเป็นภาระของจิตเป็นการแทรกแสงทันทีที่บริกรรมเข้าไปนะกลายเป็นสมถะแล้วครับเอาคุณครับน้าคนสุดท้ายละน้าประมาศกาลหลวงพ่อครับ ส, ส่งการบ้านในรอบหลายปีมาแล้วหลายปีอะครับอ กรรานที่ใช้คือขัดรู้สึกตัวจิ่วกายแล้วก็บางครั้งก็ดูลมครับปัญหาที่พบอีกตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ขาดสมาธิแล้วก็เป็นอะไรนะขาดสมาธินะครับอ๋อแล้วก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าถ้ารักษาศีลแปดในบางโอกาสเช่นวันพระอะไรนะครับจะทำให้สมาธิดีขึ้นทีนี้ไม่ไม่เคยรักษาศีลแปดมาสักเกือบสี่ปีแล้วไม่เกี่ยวกันหรอ ไม่ใช่ถือศีลแปดแล้วสมาธิดีขึ้นนะถือศีลแปดมันเป็นการฝึกขัดเกลาตัวเองให้เข้มงวดมากขึ้นที่จะไม่ตามใจกรรมทีนี้คำถามก็เลยสงสัยว่าระหว่างอย่างแรกก็คือใช้ปัญญาระดับที่ได้ยินได้ฟังว่าเราใช้ศีลศีลตรงนี้เป็นตัวกั้นไว้ก่อนกับอย่างที่สองก็คือเราปล่อยไป รู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเหมือนก็จะดีขึ้นเองเลยเขาเรียกถือตั้งใจไม่ทําผิดศีลไว้ก่อนตีกรอบไว้ก่อนแล้วปล่อยให้จิตทํางานเมื่อมีสติตามดูทําไมต้องตีกรอบด้วยศีลไว้ก่อนเพราะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่แทรกแซงจิตถ้ากิเลสมันรุนแรงนะแล้วเราไม่มีศีลเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทาไม่ดีขึ้นมางั้นตั้งใจว่าเราจะไม่ผิดศีลทางกายทางวาจาเนี่ยควบคุมไว้ แต่ทางใจให้ปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้เอาหมายถึงว่าถ้าอย่างเมื่อวานนะครับวันพระเนี้ยใกล้ๆวันพระเนี้ยจะมีเหตุเขาไม่กิดสินแปลกตลอดเลยอืมหรือหรื อ, รอ ม, มีมีเปอร์เซ็นต์พวามน่าเป็นมากขึ้นนะครับทีนี้คําว่าตั้งใจไว้ก่อนเจตนาไว้ก่อนเนี้ยตอนนี้ยังยังไม่ได้ตั้งเจตนาเยครับก็เลยก็เลยสงสัยว่าระหว่างตั้งเจตนาข้อแรกกับข้อสองคือไม่ตั้งเจตนาแต่ อาจรู้สึกตัวดูผลของมันให้มากขึ้นอย่างนี้ครับหรื อ, อว่าคือเจตนาเนี่ยเจตนาเอาพอดีพดีนะตามสภาวะที่พอจะทําได้ศีลห้าเนี่ยพอจะบรรลุมรรคผลได้นะเล้ถ้าเราถือตั้งใจว่าจะเอาศีลแปดแล้วก็เศร้าหมองว่ารักษาไม่ได้เนี่ยสู้คนที่ถือศีลห้าแล้วรักษาศีลห้าได้จิตเบิกบานนะั่นดูกําลังของเรานะ ต, ต้องแต่และสภาวะในขณะนั้นเลยดูตัวเราเองอ่ะว่าแค่ไหนพอดีะเข้มงวดเกินไปไม่ใช่ว่าจะไปได้เร็วนะอย่างตั้งใจเอาล่ะจะถือศีลแปดหรือถือศีลสิบมันเลยนะแล้วทําไม่ได้เนี่ยจิตเศร้าหมองนะในขณะที่พวกที่ถือศีลห้าเนี่ยเขาถือศีลได้มันไม่เรื่องมากเขาถือศีลได้เนี่ยจิตเขาเบิกบานจิตที่เบิกบานนั้นเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติอ่ะเกิดง่ายเลย จิตที่เร้าหมองไม่มีสมาธิหรอกทำไงก็ไม่มีสมาธิอของผมต้องทํทำอะไรต่ อ, องไงนะครับต้องทำใจให้สบายกว่านี้นะทำใจสบายแล้วก็เจริญเมตตาเยอะๆหน่อยเจริญเมตตาเพื่ออะไรให้ใจมันคลายตัวออกใจมันโหดร้ายกระทั่งกับตัวเองนะเป็นไหมก็พอษร์ นั่นแหละมันลดลงมันมันเข e ี่ยมเกลี่ยมกระทั่งกับตัวเองนะนั่นเจริญเมตตาไปเมตตาคุณากรหังเมตตาบริกรรมเล่นๆไปนะพะใจมันคลายตัวออกมีความสุขมันคลายตัวออกนะสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นส่วนศีลนั่นนะนะ่ะถือศีลห้ายืนพื้นไว้ศีลแปดถือตามโอกาสเป็นคราว่าสถือศีลแปดตลอดทำลำบากไม่ได้ทำศี น่าจะสี่ปีแล้วอะไรนะไม่ได้ทํามาเกือบน่าจะสี่ปีแล้วเหรอเอ า, อางั้เอาสี่ห้าให้ดีก็แล้วกัน<อ>นะแล้วก็มีสติรู้ทันใจไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านของคุณเนี่ยใจฟุ้งซ่านเยอะนะเพราะฉนั้นใจที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยต้องช่วยมันพุโทโธหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าพุโทโธด้วยเดี๋ยวโมโห หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายหายใจให้กันบ้านแล้วนะแต่ไป น, นี้เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจไปแล้วเวลาว่างๆก็จเจริญเมตตาไปเรื่อยๆเราต้องปรับฐานของจิตใจให้เกิดสมาธิที่ดีก่อนใจฟุง้งซ่านขาดสมาธิต้องปรับตัวนี้ก่อนเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูลมหายใจนะ เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้จ้องที่ลมเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นไหมเอาลองยิ้มก่อนเห็นร่างกายยิ้มเนี่ยเหมือนแบบเดียวกันอะเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆนะให้จิตใจมันสงบตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะเดินปัญญาได้ตอนนี้ยังเดินไม่ได้เราะ ภาวาะเจริญเมตตานี่คือเอาจิตเอาจิตเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับใช่บทสวดนี้คือเป็นตัวช่วยใช่เป็นตัวช่วยนะแต่ว่าอย่าไปเค้นจิตให้เมตตานะบริกรรมไปก่อนบริกรรมเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวใจมันค่อยสบายพอจิตใจมีความสุขแล้วมันถึงจะเมตตาได้ถ้าจิตใจไม่มีความสุขไม่เมตตาใะไรหรอกพอสมควรแล้วครับ<อ> จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านที่นี่นะครับกล่าวคาถวายทานครับเชิญทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นกาลนานเทิน ยถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตท่นังเปตานางอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาฉันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจจังบุทาปจายโนจ ต, ตาโรโอธรมาวัันติอายุวันโนสดุขังพระลังสาธุภาวนานะอดทนเข้า